จิตใจของพวกเราเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์เวลาจะไปไหนมาไหนได้ต้องมีน้ํามันต้องคอยเติมน้ํามันพอ้าน้ํามันหมดรถก็วิ่งไปไหนไม่ได้ใจิตใจก็มีน้ํามันเหมือนกันน้ํามันของจิตใ จ, ใจ ที่จะพาจิตใจให้ไปสู่ที่ดีที่สุขที่เจริญก็ต้องมีให้จิตกับจิตใจถ้าไม่มีน้ำมันจิตใจก็ไม่สามารถไปในทางที่ดีได้ถ้าอยากจะให้จิตใจไปในทางที่ดี เราต้องเติมน้ํามันของจิตใจอยู่เรื่อยๆน้ํามันของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเติมกันอยู่เรื่อยๆก็คือหนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. วิริยะความขยันหมั่นเพียร การที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามสติคือการนัึกรู้อยู่ในอารมณ์เดียวในปัจจุบันไม่ไหลไปตามกระแส ของอารมณ์ต่างๆสามสี่สมาธิคือความสงบและห้าปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่จะคอยเตือนใจสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์นี่คือน้ำมันของจิตใจที่จะพาจิตใจให้ไปสู่ที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปกันก็คือไปพานิพานไปหลุดพ้นจาก วัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตพกที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกทั้งปวงถ้าจิตใจต้องการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัตรในไต่ยพจิตใจจำเป็นที่จะต้องมีพลังมีพลังคือมีน้ำมันที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของไต่ยพได้ถ้าไม่มีน้ำมัน ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของไตรภพได้เหมือนกับจรวดในสมัยนี้ที่จะส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจในอวกาศไปสำรวจตามดาวต่างๆจำเป็นต้องมีพลังที่จะ สักดานยานอาวกาศให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกโลกที่เราอยู่กันนี้มีแรงดึงดูดที่ดึงให้พวกเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกนี้ไม่ตุดลอยออกไปจากโลกนี้ได้แต่ถ้ามีจรวด ที่มีกำลังขับเคลื่อนที่มีที่มากกว่าแรงดึงดูดของโลกจรวดก็สามารถทยานออกจากโลกนี้ไปได้สามารถส่งยานอวากาศให้ไปสู่ดาวต่างๆได้จิตใจของพวกเราตอนนี้ก็ เป็นเหมือนร่างกายของพวกเราที่ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดไว้แต่ถ้าเราสร้างจรวดกันขึ้นมาแล้วเติมน้ำมันให้กับจรวดทำให้จรวดมีกำลังที่จะทยานขึ้นสู่อวกาศได้ เราก็สามารถที่จะออกจากโลกนี้ไปได้เหมือนที่เขาเคยส่งมนุษย์ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เขาก็อาศัยจรวดนี้สัส่งยานอวกาศที่จะไปสำรวจดวงจันทร์สามารถลงไปแตะบนพื้นผิวของโลกพระจันทร์ได้ เรายังสามารถออส่งมนุษย์ให้กลับมาสู่โลกนี้ได้ด้วยเพรมีจรวดที่ส่งไปแล้วก็มีจรวดที่ส่งกลับมาสู่โลกนี้จิตใจของพวกเราตอนนี้ก็ถูกแรงดึงดูดของไต่ภพของสังสารวัตร ดึงดูดให้พวกเราติดอยู่ในใจพบกันแรงดึงดูดที่ติดที่ดึงจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่ในใจพบก็มีอยู่สามพอพบที่อยู่ที่มีอยู่ในใจพบก็มีอยู่สามใจแปลว่าสามใจพบก็มีพบสามแรงดึงดูดให้จิตใจของสัตว์โลกหรือจิตวิญญาณของสัตว์โลก ติดอยู่ในภพทั้งสามนี้ก็คือกามะตัญหาแปลว่าความอยากเสพรูปเสียงกิรลดเสพกามก็จะดึงให้จิตใจของผู้ที่มีกามะตัญหาติดอยู่ในกามะภพกามพภพคือภพของผู้ที่เสพกามมีอยู่สองซีกด้วยกัน ซีที่มีความสุขกับซีที่มีความทุกข์แล้วซีที่มีความสุขก็คือซีของเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆซีของที่มีความทุกข์ก็เรียกว่าอบายสีคือเดรัจฉานเปรตอสูรกายและนรกและพบที่อยู่กลางๆลาง ส่วนที่อยู่กลางๆระหว่างนรกกับสวรรค์นรกกับอบายสวรรค์กับอบายก็คือที่อยู่ของพวกมนุษย์นย่มนุษย์เราอยู่ตรงกลางไม่ทุกข์มากไม่สุขมากครึ่งๆกลางๆถ้าอยู่ในซีกของสวรรค์ก็จะสุขมากกว่าทุกข์ถ้าอยู่ในซีกของอบายก็ทุกข์มากกว่าสุข สาเหตุที่มีสองซีกก็เพราะว่าเวลาเสพกามเสพด้วยวิธีใดเสพด้วยวิธีทําบาปก็จะไปติดอยู่ในซีกของอบายถ้าเสพกามโดยไม่ได้ทําบาปและได้ทําบุญด้วยก็จะไปอยู่ในซีกของเทวดาซีกของสวรรค์เรียกว่าสุขคติ ส่วนทุกขติก็คืออบายส่วนมนุษย์นี้จะถือว่าอยู่ในส่วนสุกติก็ได้หรือทุกขติก็ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะอยู่แบบไหนอยู่แบบทุกข์ก็มีอยู่แบบสุขก็มีเป็นพบเป็นเป็นที่อยู่ของผู้จิตวิญญาณที่ มีบุญทำบุญและบาปเท่าๆกันทำบาปบ้างทำบุญบ้างพวกที่อยู่อบายนี้ทำบาปมากกว่าทำบุญพวกที่อยู่อสุคติคือสวรรค์ทำบุญมากกว่าทำบาปแต่เป็นพวกเดียวกันคือเสพกามเหมือนกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวด พ, พะ มนุษย์เรากับสัตว์เดรัจฉานี้เสบรูปหยาผ่านทางร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพัชชนิดหยาคือใช้ร่างกายตาหูจมูกนิ้งกายเสบส่วนพวกเทวดาพวกเปรตพวกอุสุลกายนี้เสบรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพกันเพราะไม่มีร่างกายไม่มีตาหูจมูกนิ้งกายนี่คือแรงดึงดูด ที่จะดึงดูดจิตตวิญญาณของพวกเราให้ติดอยู่ในกามะพกให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามะพกตายจากมนุษย์ก็อาจจะไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญมากกว่าบาปถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรก แล้วหลังจากที่หมดบุญหมดบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพนยะสำหรับผู้ที่ยังเสพกามอยู่ส่วนผู้ที่เปลี่ยนวิธีจากการเสพกามก็มีวิธีหาความสุขอีก2 อ, อีกสองรูปแบบคือเสพรูปประชานกับอรูปปะจจานนะ รูปฌปานหรูปฌานก็คือสมาธิในระดับต่างๆสมาธิก็มีระดับที่สุขน้อยกับสุขมาการูปฌปานก็มีความสุขน้อยกว่าอารูปฌานผู้ที่สามารถเข้ารูปฌปานได้เพราะมีความอยากที่จะเสพความสงบของรูปฌปาน ความอยากนี้เรียกว่าภาวะตัณหาส่วนผู้ที่เสอรูปปชานนี้เป็นพวกที่มีวิภวะตัณหาความอยากจะเสพความสงบของอรูปปชานนะก็จะเป็นแรงดึงดูดให้จิตวิญญาณของผู้เสพรูปปชาญกับอรูปปชาญไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพ นี่ตาภพเนี่ยกามาภบรูปภพและอรูปภพที่ไปอยู่ในภพต่างกันก็เพราะแรงดึงดูดจิตวิญญาณเป็นชนิดต่างกันถ้ามีแรงดึงดูดของกามมาตัฐหาก็จะไปอยู่ในกามาภพถ้ามีแรงดูดของวิภาวะตัญหาก็จะไปอยู่ในรูปภพ ถ้ามีแรงดึงดูดของวิภาวะตันหาก็จะไปอยู่ในอรูปภพแต่ไม่ว่าจะปไปอยู่ในภ พ, พไหนเดี๋ยวเหตุที่ส่งให้ไปอยู่ในภ พ, พนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างเหตุที่จะพาให้ไป อยู่ตามพบต่างๆใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็มาเสพกามบางคนก็มาเสพรูปประจานบางคนก็มาเสพอรูปประจานพวกที่เสพรูปประจานอารูปประจ า, า, า, านก็เป็นพวกนักบวชพวกนักบวชนี้เขาเบื่อกามหรือ็เห็นโทษของการเสพกามว่ามันยุ่งมันวุ่นวาย สู้ไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌปานดีกว่านี่คือเหตุตัวหรือแรงดึงดูดที่จะดึงดูดจิตตวิญญาณของสัตว์โลกให้ติดอยู่ในตายภพ ก, กามตัญหาดึงดูดให้ติดในกามภพ ภาวะตันหาดึงดูดให้ติดอยู่ในรูปภพวิภาวะตันหาดึงดึงดูดให้ติดอยู่ในอรูปภพผู้ที่ต้องการที่จะออกจากตายภพ ค, คือไปสู่พระนิพพานเหมือนกับผู้ที่อยากจะไปท่องโลกประจันหรือดาวังคาน ตอนนี้มนุษย์เริ่มวางแผนสร้างจรวดกันแล้วสร้างจรวดที่จะส่งมนุษย์ไปถึงดาวอังคารโลกอังคารก็ต้องจำเป็นที่จะต้องสร้างจรวดที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่มีแรงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกนีเพอสร้างจรวดที่มีแรงผลักดันสูงกว่าแรงดึงดูด จะรวก็สามารถที่จะทยานออกจากโลกนี้ไปได้โดยที่จะไม่ถูกแรงดึงดูดดึงให้กลับลงมายานที่ขึ้นแล้วยังต้องลงมาอยู่ก็คือพวกเครื่องบินต่างๆเครื่องบินที่เราใช้เดินทางไประหว่างประเทศพวกนี้ไม่มีแรงผักดันให้เครื่องบิน บินออกจากแรงดึงดูดของโลกได้มีแรงพอที่จะส่งให้เครื่องบินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับลงมาบนพื้นผิวโลกเพื่อที่จะมาส่งผู้โดยสารหรือมาเติมน้ำมันพวกเครื่องบินเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเบน ออกไปจากออกจะไปจากโลกนี้ได้อะนั้นใดผู้ที่มีกำลังขับเคลื่อนของจิตใจน้อยมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อ ย, อ ย, อยก็จะเป็นพวกจิตของปุตุชนปุตุชนคือพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยนี่ ก็มีแรงขับเคลื่อนจิตใจในระดับต่ำถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นเครื่องบินที่บินขึ้นท้องขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แต่ไม่สามารถบินออกจากโลกนี้ไปได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับตรงมาสู่โลกนี้บุตชนนี้จึงไม่สามารถที่จะหลุด ออกจากใจพบได้เพราะปุถุชนมีกำลังขับเคลื่อนจิตใจน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังขับเคลื่อนของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคล น, นี้เป็นพวกที่มีพลังขับเคลื่อนสูงเป็นเหมือนพวกจรวดปุถุชนนี้เป็นเหมือนพวกเครื่องบินสามารถบินขึ้นท้องฟ้าได้ แต่เดี๋ยวก็ต้องกลับลงมาสามารถไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมได้แต่ต้องกลับลงมาสู่ผิวโลกต้องกลับมาเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆเพราะขาดแรงปักดันที่สูงกว่าของปุถุชนนั่นเอง แต่ในเบื้องต้นก็ต้องมีแรงขับเคลื่อนในระดับต่ำก่อนเพราะไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วมีแรงขับเคลื่อนระดับสูงเลยยกเวน้นพระอริยบุคคลเช่นพระสุดาบันถ้าสมมุติว่าชาติก่อนได้บรรลุเป็นพระสุดาบันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนที่จะบรรลุ ถึงพระนิพพานพวกนี้เขาถ้ามากลับมาเกิดใหม่เขาก็จะสามารถปฏิบัติต่อได้เพราะเขามีแรงขับเคลื่อนสูงที่จะส่งให้เขาขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับได้แต่ถ้าเป็นพวกปุถุชนนี้ก็ไปไม่ได้ไปแล้วก็ต้องกลับลงมาใหม่ไปสวรรค์ก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปโลก ผมมาโลกก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเพราะพลังขับเคลื่อนยังมีไม่มากพอต้องมาเพิ่มพลังหรือเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเหมือนน้ำมัน91กับ95น้ำมัน91ก็มีแรงขับเคลื่อนต่ำกว่าน้ำมัน95รถที่มีการขับเคลื่อน มีใช้พลังสูงก็มักจะต้องใช้น้ำมันเก้าสิบห้าน้ำมันเก้าสิบเดนี้ไม่พอศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็เลยมีแบ่งเป็นสองระดับระดับปุถุชนกับระดับพระอริยบุคคลศรัทธา มีความแก่กล้าไม่เท่ากันศรัทธาของปุตุชนนี่ยังเป็นศรัทธาที่ค่อนแคลนอยู่ยังไม่มั่นคงก็ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ไม่เหมือนกับศรัทธาของพระอริยบุคคลมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริง และยังมีอยู่ด้วยในขณะ น, นี้ในโลกนี้มีอยู่ในใจของเรานี่แหละเพียงแต่เราค้นกันไม่เจอเท่านั้นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนพ ร, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้นี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนี้ไม่ได้อยู่ในใจของพวกเราไม่ถือว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ เช่นพระพุทธรูปเนี่ยที่เป็นตัวแทนของพระพุทธที่แท้จริงเนี่ยพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธที่แท้จริงพระพุทธที่แท้จริงรอเราอยู่ในใจพระธรรมที่แท้จริงก็อยู่ในใจพระธรรมที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านนี่เป็นเป็นพระธรรมตัวตัวแทนของพระธรรมแท้ พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระอริยสงฆ์สาวกที่เรากลราบ่าว้ท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่ยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์ของเราอริยสงฆ์ของเรานี้อยู่ในใจของเราพุทธธรรมสังขาที่แท้จริงอยู่ในใจของเราผู้ที่ได้พบกับพุทธธรรมสังขาที่แท้จริงอยู่ในใจ จะไม่หลังเล่จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปจะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยคือพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันนี้พระโสดาบันนี้มีหลังจากที่ได้เจริญสติสมาธิปัญญาก็ทําให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาไม่ได้เห็นธรรมที่ในพระไตรปิฎก ไม่ได้เห็นธ ร, รมในหนังสือของครูบาอาจารย์ของพระอริยสงสารวกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นธรรมที่จะมาทำให้จิตนี้ดับความทุกข์ต่างๆได้ต้องเป็นธรรมที่เห็นภายในใจผันธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติที่เรียกว่าบรรลุธรรมเนี่ยอันธรรมอันนี้แหละที่เรียกว่าธรรมแท้ธรรมจริงของจริง แล้วถ้าใครได้เห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตัดทาวขจะเห็นพุทธะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมพอเห็นธรรมะปั๊บก็จะเห็นพุทธะพระพุทธะกับธรรมะนี่เหมือนกันนะสังฆะก็เหมือนกันเป็นผู้ที่มีความรู้มีความฉลาด ในอริยสัจสีในไตรลักษณ์อันนี้จะเป็นของแท้ผู้ที่ได้เข้าถึงพุทธธรรมสังฆะของแท้แล้วจะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอก อันนี้ท่านจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ชเช่นพระพุทธรูปอาจจะถูกเขาทำลายระเบิดไปท่านก็รู้ว่าไม่ได้ไประเบิดพระพุทธที่แท้จริงพระธรรมคาสอนหนังสือธรรมะต่างๆอาจจะถูกทำลายไปหมดถูกเผาไปหมดคนที่อาจจะอยากจะทำลายพุทธศาสนาก็จะไประเบิดพระพุทธรูปให้หมด แล้วก็เผาหนังสือธรรมะทั้งหลายให้หมดไปแล้วถ้าองค์ไหนเป็นพระอาริยบุคคลก็ฆ่าทิ้งให้หมดเนี่ถึงแม้จะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่สามารถมาทำลายพุทธะธรรมะสังขะแท้ที่อยู่ในใจของพวกเราได้อันนี้แหละผู้ใดเข้าถึงพุทธะธรรมะสังขะแท้ในใจแล้ว ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะละสังโยชน์คือวิจิตติฉาได้ความรังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีอีกต่อไปไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนชาติไหนเพราะยังต้องเกิดอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์แต่ได้ตัดภพตัด ชาตตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ลงเหลือไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาคอยสอนคอยบอกอีกต่อไปไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยสอนคอยบอกเพราะท่านมีครูบาอาจารย์ในใจแล้วท่านมีพุทธธรรมะสังขะในใจที่จะเป็นตัวพาจิตใจนี้ ให้ไปสู่พระนิพพานได้นี่แหละคือศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาที่เต็มเปี่ยมที่มั่นคงไม่มีวันสัน่นคลอนถ้าเป็นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้ เช่นถ้าไปเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติตัวไม่ชอบก็อาจจะเสื่อมศรัท ธ, ธาในพระสงฆ์ได้ถ้าไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ไม่รู้จริงก็อาจจะเสื่อมศรัท ธ, ธาในธรรมของพระพุทธเจ้าได้อละนี่คือสิ่งที่ ทำให้ศรัทธาของปุถุชนต่างกับศรัทธาของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงและยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้แม้สังขารของพระพุทธเจ้าจะตายไปแล้วก็ตามสังขารของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายจะตายไปแล้วก็ตามธรรมะคำสอน อาจจะหายสาบสูญไปหมดแล้วก็ตามแต่ท่านรู้ว่ามันไม่หายไปจากใจของพวกเราใจของพวกเรามีพุทธธรรมสังขะแต่เพียงตอนนี้ใจของพวกเราที่เป็นปุถุชนนี้ถูกกิเลสตัณหานีบกปิดเอาไว้เท่านั้นเองถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาบกปิดพุทธธรรมสังขะ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราทำให้พวกเรามองไม่เห็นพุทธธรรมสังฆะกันเราจึงต้องมาเบิกเอาพวกนี้ออกไปจากใจให้ได้เอาพวกกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาออกไปจากใจด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานี้แต่ในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นศรัทธาของปุถุชนก็เป็นศรัทธาที่จะผลักดันให้เราไปสู่การศึกษาและปฏิบัติถ้าเราพยายามศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องราวของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาเรื่องราวของชีวประวัติและการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกมันก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงนและคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์นี้จะพาให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้น ในเบื้องต้นเราก็เชื่อแบบคนตาบอดเชื่อคนตาดีเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นคนตาดีเป็นคนที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในใต้ภพนี้ได้พอเราเชื่อแล้วเราก็จะได้มีกําลังใจมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าของพระ อ, อริยสงสาวกทุกทุกพระ อ, องค์ท่านสอนเหมือนกันหมดมีอยู่สามข้อใหญ่ๆสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือสอนให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงสอนให้เราสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เองพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างพลังให้กับจิตใจกันมาเติมน้ำมันให้กับจิตใจกันเติมด้วยศรัทธาเติมด้วยวิริยะ ด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีววรยะมีความเพียรที่จะไปเจริญสติพอมีสติเราก็จะมีกาลังที่จะไปนั่งสมาธิทาจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วพอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถไปศึกษาทางปัญญาต่อได้ แล้วสามารถเอาปัญญานี้มากำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ปกปิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนพอเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจแล้วเทนี้ใจของเราจะมีพลังมากศรัทธานี้จะเป็นศรัทธาเต็มร้อยขึ้นมา วิริยาก็จะเป็นวิริยะเต็มร้อยคำว่าขี้เกียจไม่มีคำว่าต้องคอยผักคอยบังคับให้ปฏิบัติไม่มีมันจะเหมือนกับรถเกียร์ออโต้มันจะวิ่งของมันไปคนขับจะเหยียบคันแรกไม่เหยียบคันแรกมันไปของมันเองอันนี้พอได้พลังคือน้ามันที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็มันก็จะไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะมันก็จะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่เรมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนี่ยจะไม่มีช่วงไหนที่จะไม่มีคำว่าเจริญสติแต่เบื้องต้นก็ยังอาจจะมีช่วงเผลอบ้างไม่เผลอบ้างแต่จะมีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง ไม่ได้ปล่อยทิ่งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนพุทธโธได้สองสามคำแล้วก็กว่าจะมาพุทธโธใหม่ก็หลายชั่วโมงไปแล้วปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนเกิดอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมาถึงจะนึกถึงพุทธโธได้แต่ผู้ที่มีศรัทธาเต็มร้อยนี่จะมีความเพียรพยายามเต็มร้อย ที่จะพยายามฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติเลยตั้งด้วยพุทโธก็ได้ตั้งด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะพอใจหรือมีหลายวิธีวิธีตั้งสติมีสี่สิบวิธีด้วยกันบางคนไปตั้งสติด้วยโครงกระดูกก็ได้ ตอเตือนขึ้นมาเริมตาขึ้นมาก็นึกถึงโครงกระดูกก่อนเลยโครงกระดูกพอโครงกระดูกลุกขึ้นยืนก็เห็นโครงกระดูกลุกขึ้นยืนเวลาเดินก็เห็นโครงกระดูกเดินอันนี้ก็เป็นการเจริญสติบางคนก็คิดถึงความตายหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเจริญสติได้หลายวิธีด้วยกัน แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนเป้าหมายก็คือจะทำให้ใจตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาตามกระแสของความคิดตามกระแสของอารมณ์ต่างๆใจจะว่างจากความคิดจะว่างจากอารมณ์เพราะใจจะถูกสติปิดกั้นไม่ให้ผลิตอารมณ์ไม่ให้ผลิตความคิดต่างๆนั่นเอง สำหรับผู้ที่มีความเพียรเต็มร้อยจะเพียรสร้างสติทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนนั่งนั่งนอนทำภารกิจอะไรต่างๆอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร <c oughs> ถ้าไม่ได้ไม่มีงานทำก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจไป รือบริกรรมพูดโทรไปแล้วแต่กรรมฐานที่ถูกจริตของแต่ละท่านบางท่านอาจจะเพ่งดูโครงกระดูกแทนก็ได้นั่งหลับตาแล้วนึกถึงโครงกระดูกบางท่านก็นึกถึงความตายเวลาหายใจเข้าก็คิดว่าตายถ้าไม่หายใจออกมาก็ตายหายใจออกมาถ้าไม่หายใจเข้าไปก็ตาย ได้มีหลายวิธีด้วยกันในการที่จะเจริญสติที่จะทำจิตให้สงบได้ถ้ามีความเพียรเจริญสติแบบนี้แล้วรับประกันได้เวลานั่งสมาธิจิตต้องสงบจิตต้องเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้อย่างแน่นอนและได้นานด้วยและได้ง่ายด้วยนั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบ แล้วก็ตั้งอยู่ในความสงบได้นานพอออกจากสมาธิมาถ้ายังไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิก็มาเจริญสติต่อก่อนยังไม่ต้องไปกังวลกับการเจริญปัญญาเมื่อตอนนี้เอาสมาธิให้ชำนาญก่อนเหมือนขับรถนี่หัดขับรถให้มันชำนาญก่อนขับตามซอยตับขับตามสนามสอบสนามสอนก่อนอย่าเพิ่งไปออกสนามจริง อย่าพึ่งไปออกถนนไปวิ่งตามถนนที่มีรถลาวิ่งมากๆคนที่พึ่งหัดขับรถใหม่ๆต้องหัดขับรถตามถนนที่ว่างไม่มีรถยนต์เพราะยังไม่ชนานาญในการขับเคลื่อนรถยนต์ในการหยุดรถยนต์ถ้าไปอยู่บนถนนที่มีรถวิ่งไปมามากๆมีความเร็วสูงอาจจะ ขับไม่ได้ขับไม่ทันเวลาจะหยุดอาจจะหยุดไม่ทันเวลาจะเลี้ยวจะหลบอาจจะเลี้ยวจะจะลบไม่ทันเพราะยังไม่ชำนาญฉันด้ผู้ที่เข้าสมาธิยังไม่ชำนาญก็อย่างเพิ่งไปทางปัญญาเพราะการไปทางปัญญานี้ต้องใช้ความคิดแล้วถ้าสมาธิมีกำลังน้อยดีไม่ดีเดี๋ยว แทนที่จะไปคิดทางปัญญาอาจจะถูกกิเลสดึงให้ไปคิดทางกิเลสท่านแล้วพอกิเลสคิดก็จะทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็จะยากต่อการทําจิตให้กลับมาสงบได้เพราะยังไม่ชํานาญในการทําจิตให้สงบนั่นเองดังนั้นขั้นตอนของปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ต้องเป็นขั้นๆไปะขั้นแรกนี้สติต้อง ตอเ น, นี่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ไม่เผลอเลยไม่ส่งให้ไปไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์โลภโกรธหลงต่างๆคอยหนึ่งจิตไว้ให้นิ่งให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานแบบใดแบบหนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายอยู่กับโครงกระดูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายให้มีกรรมฐานคอยควบคุมจิตใจให้มีสติขึ้นมาพอมีสติพอมีเรา ว, ว่างไม่ต้องทำอะไรก็ต้องนั่งเพราะจะเข้าสมาธิได้นี้ต้องเข้าโดยท่านั่งเพราะท้าอื่นนี้ยากต้องมีเหตุการณ์ที่ กระทำหันที่ท้าทายต่อความเป็นความตายเท่านั้นที่จะสามารถที่จะดึงจิตให้เข้าข้างในได้เช่นต้องไปเดินในป่าไปจ้าเอกับงูกับเสือนี่พอจิตมันเห็นภัยปั๊บมันจะหดเข้าข้างใน ท, ทันทีถ้ามีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะกระโจนทันที พวกที่ไปเจอสัตว์นี่ถ้าไม่มีสตินี่จะกระโจนจะโกยเลยจะหนีแต่พวกที่มีสตินี่จะเข้าข้างในจิตจะรวมเข้าข้างในได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วในท่าเดินท่ายืนนี้เข้ายากต้องอาศัยท่านั่งเพราะท่านั่งเป็นท่าที่ จิตปล่อยวางร่างกายจิตหยุดทำงานได้จิตไม่ต้องทำงานจิตเพียงแต่ดูเฉยๆดูลมดูโครงกระดูกหรือดูอะไรที่กำหนดขึ้นมาให้ดูแล้วจิตก็จะเข้ารวมเข้าสู่สมาธิได้ต้องพยายามฝึกสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิมาก็ฝึกสติต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาทำให้เรามั่นใจ ทุกครั้งที่นั่งสมาธินี้เข้าได้ทุกครั้งเข้าได้อย่างง่ายดายห้านาทีสิบนาทีชำนาญนะเหมือนกับคนขับรถชำนาญนะรู้วิธีขับรถรู้วิธีจอดรู้วิธีกับรถรู้วิธีจอดรถทีนี้จะวิ่งไปไหนก็ทําได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวก็ค่อยขับรถออกไปตามถนนใหญ่ถนนที่มีรถลาวิ่งไปไหนมาไหน มีไฟดงไฟแดงมีทางแยกมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันเมืองตอนนี้ฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการนั่งหลับตาดูลมหรือพุทโธไปห้านาทีจิตก็รวมแล้วจิตเข้าสู่ความสงบได้พอได้สมาธิแบบชำนาญแล้ว ถ้าไม่ออกไปถ้าออกจากสมาธิแล้วไม่ไปพิจารณาปัญญายังกลับไปเจริญสติต่ออย่างนี้ท่านเรียกว่าติดสมาธิแล้วเพราะไม่ทำปัญญาถึงเวลาที่จะเจริญปัญญาต้องไปเจริญแล้วเหมือนนักเรียนที่จบปบ .2 แล้วป .1 แล้วยังไม่อยากขึ้นชั้นต่อไปก็แสดงว่าติดชั้นติดครูชอบครูคนนี้อชอบเพื่อนคนผู้ง อยากจะอยู่ชั้นนี้ต่อชอบห้องเรียนนี้เออย่างนี้เรียกว่าติดนะพอจบปหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมก็ต้องขึ้นปอสองขึ้นปสามไปอันนี้ก็เหมือนกันพอเราชํานาญในสมาธิแล้วขอเน้นคําว่าชํานาญนะเอไม่ใช่นั่งสมาธิจิตสงบครั้งแรกนั่งได้ห้านาทีออกจากสมาธิก็จะไปเจริญปัญญาอันนี้ยังไม่ถือว่าชํานาญอันนี้เป็นเพียง อ่าขั้นแรกตอนต้นท่นเองเพียงแต่ได้สัมผัสบางทีแค่ ง, งูแลบดิ้นนั่นเองจิตสงบด้งวูบหนึ่งแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะไปคิดทางปัญญาอันนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องมาฝึกสติจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว ได้อยู่ได้อย่างนานด้วยอยู่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนเวลาจิตรวมแล้วแล้วเวลาถอนออกมาทีนี้ค่อยมาไม่ต้องไปฝึกสติแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเรามีสมาธิที่ชำนาญแล้วเราต้องการจะขึ้นชั้นต่อไปเราต้องขึ้นชั้นปัญญาแล้วปัญญานี้จะเป็นชั้นที่เหนือกว่าชั้นสมาธิเพราะ ความสงบหรือความสุขของจิตนี้มันจะถ้าวอนเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขหรือความสงบของสมาธิความสุขความสงบของสมาธิอ น, นี้เป็นชั่วข่าวชั่วขณะที่เข้าสมาธิแต่ความสุขความสงบที่ได้จากปัญญานี้มันจะถ้าวอนมันไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะมันจะมาทําลายตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจนั่นเอง ตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือก oh ah ิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่ดึงดูดจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือตัวก oh ah ิเลสตัณหาโมหะอวิชชา บางทีเราก็พูดตัวเดียวว่าตันหาตันหามันก็ต้องมีโมหะอวิชชาเป็นผู้เสียมสอนเป็นผู้คอยผลักดันกิเลสกับตันหาก็เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นตัวเดียวกันเราอาจจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้ตัหาเป็นตัวผู้กิเลสเป็นตัวเมียก็ได้แต่มันเป็นตัวเดียวกันเป็นพวกเดียวกันเันพวกพูดตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้มันก็สะเทือนไปถึงอีกทั้งสามตัว กิเลสตัณหาโมโหะอวิชามันไปเป็นทีมมันไปร่วมกันมันไม่ได้แยกกันไปที่ไหนมีตัณหาที่นั่นมีกิเลสที่ไหนมีกิเลสที่นั่นมีโมหะมีอวิชาถ้าค่าตัวไหนก็เท่ากับค่าตัวอื่นด้วยค่ากิเลสได้ก็ค่าตัณหาได้ค่าตัณหาได้ก็ค่าโมหะอวิชาได้ค่าโมหะอวิชาก็ค่ากิเลสตัณหาได้แล้วแต่เราจะเลือกมันมี มันมีสี่ด้านเหมือนกับเท้ามหาพรหมมีหน้าสี่ด้านเราจะทําลายด้านใต้ด้านเหนือด้านตะวันออกตะวันตกก็ได้มันก็จะทําลายตัวพระพรห ม, มไปเองทําลายด้านเดียวมันก็ตายเหมือนกันกิเลสตัณหาโมหาวิชาก็เป็นสี่ด้านเราต้องใช้ปัญญา บัญญาเท่านั้นที่จะมาทำลายมากาจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเพราะเวลาที่มันออกมาออกฤทธิ์ออกเดชนี้ความสงบหายไปหมดวเวลาเกิดความโลภความโกรธนี้เวลาสมาธิที่ได้มาจากความสงบที่ได้จากสมาธิจะถูกกิเลสตัณหานี้เอาไปกินหมดทำลายหมด ถ้าไม่อยากจะให้กิเลสตัณหามาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิก็เลิมเลิมไม่ต้องให้กิเลสตัณหามาสร้างความวุ่นวายจากจิตที่ปกติจิตตอนนี้พวกเราเนี่ปกติตอนนี้ไม่วุ่นวายไม่โกรธ พอไม่โกรธไม่แค้นใครไม่วิตกกังวลกับใครแต่ถ้ามีพอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําให้โกรธขึ้นมาทําให้โลภขึ้นมาทําให้อยากขึ้นมานี้จิตของเราไม่เป็นปกติแล้วนั่นแหละตอนนั้นะต้องมาใช้ปัญญามาหยุดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเพื่อทําให้จิตกลับมาเป็นปกติให้ได้ะ ถ้ากังวลกับเรื่องความเป็นความตายก็พิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนห้ามมันไม่ได้ไปวิตกกังวลไปวุ่นวายกับความเป็นความตายก็ไม่เปลี่ย น, ปยนแปลงความเป็นจริงนี่คือปัญญาคือเห็นตายรักของร่างกายเห็นว่าร่างกายต้องตายเกิดมาแล้วมันต้องตายเป็นธรรมดา ห้ามไม่ได้ไม่มีใครห้ามความตายได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยเราไปเดือดร้อนกับสิ่งที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราทำไมคนอื่นตายเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมร่างกายนี้ตายเราไปเดือดร้อนเพราะเราไปแยกว่ามันเป็นเราเป็นเขาไปความจริงมันเป็นเขาหมดมันไม่ได้เป็นเราเลยร่างกายที่เรามีก็เป็นเขาร่างกายของคนอื่นก็เป็นเขา แต่โมหะอาวิชามันมาหลอกให้เรามาคิดว่าร่างกายที่เรามีนี้เป็นเราร่างกายของคนอื่นเป็นเขาแต่ความจริงเป็นเขาทั้งหมดเป็นดินน้ำนุมไฟทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทั้งหมดเนี่ยอนี้คือการใช้ปัญญาที่จะทำให้ความกังวลใจความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหายไป เช่นตอนนี้มีโรคภัยระบาดเห็นไหมกังวลกันพอใช้ปัญญามาพิจารณากังวลยังไงก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายตอนนี้ก็ต้องตายแล้วเมื่อความจริงมันเป็นยังไงความจริงมันก็ต้องตายไม่ตายตอนนี้มันก็ตายตอนหน้ามันต้องตายสักตอนหนึ่งไม่ช้าก็เร็วห้ามมันไม่ได้ดังั้นเราก็ต้องสรุปว่า มันก็อาจจะต้องเป็นตอนนี้ก็แล้วกันเออถ้ามันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเพราะตอนหน้ามันก็ต้องเป็นตอนนี้แหละเพราะความจริงมันไม่มีตอนหน้าหรอกเห็นไหมมีพรุ่งนี้ไม่มีหรอกเราไปคิดถึงมันเองพอถึงพรุ่งนี้มันก็เป็นตอนนี้แหละอย่างเมื่อวานนี้เราคิดถึงวันนี้พอถึงวันนี้มันก็เป็นตอนนี้แหละ แัน้นมันมีแค่ตอนนี้ตอนเดียวเท่านนะั้นที่เราจะเป็นหรือจะตายมันไม่มีตอนอื่นมันไม่มีเมื่อวานมันไม่มีวันพรุ่งนี้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสติเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีเมื่อวานนี้ไม่มีมันเป็นความคิดของเราส่งไปหามันเองเมื่อวานนี้เราก็ส่งไปคิดถึงมันเองพรุ่งนี้เราก็คิดส่งไปถึงหามันเอง แต่มันไม่มีมันมีวันนี้วั น, นเดียวมีเวลานี้เวลาเดียวเท่านั้นแต่มันอันนี้ที่มันรอที่มันร อ, รอให้วัวนพุกนี้ไหลามาหาเราเองแล้วก็ปล่อยให้วั น, นวันนี้ไหลาจากเราไปแต่ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นในตอนนี้วันนี้เวลานี้เท่านั้นไม่ว่าจะ อยู่ที to to to to uh, ่ไหนเวลาใดมันก็เป็นตอนนี้ทั้งนั้นนะเราเดี๋ยวกลับบ้านไปดูเถเดี๋ยวกลับบ้านไปถามใจมันตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะตอนนี้มันก็อยู่ที่ไหนมันก็ตอนนี้ทั้งนั้นมันไม่มีตอนตอนพรุ่งนี้ตอนเมื่อวานนี้หรอกตอนเมื่อวานนี้ตอนพรุ่งนี้เป็นความคิดเราไปคิดถึงมันเองคิดว่าอ๋อเมื่อวานนี้เราไปทําบุญที่นั่นที่นี่เอแต่มันมีจริงที่ไหนมันหายไปหมดแล้ว มันเป็นเพียงความคิดความจำของเราท่านเองตอนพรุ่งนี้เราจะไปทำนู่นทำนี่มันก็ยังไม่เกิดนะพอมันเกิดมันก็เกิดขึ้นตอนนี้พอถึงพรุ่งนี้เวลาเราจะไปทำนู่นทำนี่มันก็ทำตอนนี้แหละเหมือนประมานี้เราคิดว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมบนเขาพอถึงวันนี้มันก็มันก็ตอนนี้แหละมาฟังเทศฟังธรรมมันไม่มีตอนหน้าตอนหลัง ความจริงแล้วถ้าปฏิบัติจริงๆนะถ้าจิตนิ่งแล้วมันจะรู้ว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในปัจจุบันนี้ถ้ามันจะตายก็ตายวันนี้ตายตอนนี้แล้วถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายตอนนี้ผู้ที่เห็นการเวลาเห็นความจริงของการเวลาแล้วก็จะไม่หวาดหวกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะรู้ว่ามันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้หรือดับได้ก็คือความวุ่นวายใจความทุกข์ใจและในขณะเดียวกันก็จะทำให้เราตัดภพตัดชาติไปได้ด้วย <c oughs> พอเราจะตัดความอยากตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยากมีชีวิตอยู่ พอตายก็ย ก, ก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากมีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็กลับไปหา่างไปหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาตามตามความอยากคือกามาตัญหาใหม่แต่พอเราตัดกามาตัญหาได้ตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราสามารถใช้ความสงบ เราสามารถใช้ปัญญาแทนนําเอาความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญาดีกว่าทําลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเท่านั้นเองที่มาก่อกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราพอเรามีปัญญาใช้ไตรักษ์ใช้อริยสัจสี่กิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้จะหายไปทันที หายไปทันทีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หายไปตามเหมือนที่เหลืออยู่ก็คือความสงบความเป็นปกติของจิตเราเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ตอนนี้จิตของเราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่พอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดโมหะอวิชชาหลอกให้เราคิดว่าเราจะเป็นเราจะตายขึ้นมาใจวุ่นขึ้นมาทันทีเลย แต่พอใช้ปัญญามามาสอนใจว่ามันร่างกายมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะต้องตายไปอืทําอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เออพอใช้ปัญญาสอนใจปับ๊บใจก็ยอมรับความจริงเอตายก็ตายวะเจ็บก็เจ็บวะก็มีเท่านั้นพอยอมปับ๊บความทุกข์ความวุ่นวายใจหายไป กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่หลอกให้กลัวตายก็หายไปที่หลอกให้อยากไม่ตายก็หายไปใจก็กลับมาเป็นปกติไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์มันก็จะเป็นสุขขึ้นมาเหมือนกับเวลาเราเป็นไข้เนี่ยพอหายจากไข้ปั๊บนี้เรารู้สึกโอ้เป็นสุขแล้วเกิด ท, ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปทาอะไรเลย เพียงแต่พอกำจัดความทุกข์ได้เท่านั้นเองความสุขไม่รู้มันมาจากที่ไหนแต่เวลาที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้พอเกิดความอยากไปเที่ยวนี้ต้องไปเที่ยวแล้วไม่งั้นความทุกข์ไม่หายแต่การไปเที่ยวไม่ได้ทําความทุกข์ให้มันหายไปอย่างถาวรไปเที่ยวเดียวมันหายเดียวเดียวพอกลับมาบ้านมันก็อยากเที่ยวใหม่มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ ต้องใช้วิธีของปัญญาคืออยากไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวมันก็อยากไปเรื่อยๆถ้าเราเลิกเที่ยวได้ความอยากที่จะทําให้เราเหงามันก็จะหายไปความอยากที่จะทําให้เราไม่สบายใจก็หายไปพอมันหายไปรู้สึกว่าอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขขึ้นมาเอเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์สร้างความเหงาสร้างความว้าเหวให้กับใจนั่นเองนี่แหละต้องใช้ปัญญา ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความอยากนี้ <c oughs> เป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเกิดในตายพบอยู่เรื่อยเรยเราต้องเลิกทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากไม่ได้ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นการพบกับความสุขแบบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป พอจางหายไปความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาความหงุดหงิดความวุ่นวายใจความเหงาก็ปรากฏขึ้นมาอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็หยุดความอยากเสียอยากได้อะไรก็ไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปพอหมดกำลังความวุ่นวายใจความว้าเหวความเศร้าส้อยหงอยเหงาความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆหายไปหมด ใจก็จะเป็นปกติอยู่อย่างปกติสุขโดยที่ไม่ต้องไปเข้าสมาธินี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลานคำจริงเป็นใจที่ปกติท้งนเองเป็นใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามาสร้างความวุ่นวายใจให้เท่านั้นเองเพราะท่านกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้อย่างหมดเลย นั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามาสร้างความวุ่นวายเหมือนกับพวกเราที่ยังไม่ได้กําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาพอมีเรื่องราวอะไร ห, หน่อยนี้วุ่นวายกันไมหมดพรอเกิดโรคระบาดขึ้นมาก็วุ่นวายกันพอเกิดเศรษฐกิจตกต่ําขึ้นมาก็วุ่นวายกันเพราะเรายังมีความโลภ ก, กับสิ่งต่างๆอยู่มีความโลภความอยาก มีความหลงกับสิ่งต่างๆอยู่เพราะเรายังต้องพึ่งเขาต้องการเขามาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าพวกนี้พึ่งไม่ได้เลยความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมและเวลาพึ่งเขาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมางั้นอย่าไปพึ่งมันดีกว่าพึ่งกำลังของสติของปัญญาที่มากาจัดความโลภความโกรธความหลง ความอยากโมหะอวิชชาดีกว่าเพราะพ อ, พอไม่มีโมหะอวิชชากิเลสตัณหาแล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆมีโครคภัยไค้เจ็บ ก, ก็ไม่วุ่นวายจะตายก็ไม่วุ่นวายจะล้มโจมจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่วุ่นวายมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจวุ่นวายได้เพราะใจไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้ว ใจมีปัญญารักษาใจให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้เนี่ยอันนี้แหละคืออนุภาพของปัญญาที่เหนือกว่าสมาธิสมาธินี้ให้ความสุขเราได้ตอนที่เข้าไปในสมาธิพออจากสมาธิมามาเจอเรื่องต่างๆก็วุ่นขึ้นมาวุ่นเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้ตายจากกำลังของสตินั่นเอง แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพอใจวุ่นปั๊บก็ใช้ปัญญามากำจัดมันเลยกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไดา้ความวุ่นวายใจก็จะหายไปทุกครั้งมันเกิดก็ใช้ปัญญารับรองได้ว่าต่อไปกิเลสตัณหาที่มีมากน้อยเพียงไรในจิตใจของเราเนี่ยจะหายไปหมดแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราวุ่นวายได้เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นตัวทาให้ใจเราวุ่นวาย ตัวนี้ทำให้ใจเราวุ่นวายคือก oh ah ิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่แหละคือพลังของจิตต้องสร้างตั้งแต่ศรัทธาขึ้นมาก่อนต้องศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่บ่อยๆศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์ล้วจะทำให้มีศรัทธาที่จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอน ที่เรที่จะให้สอนให้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่มาทําให้จิตใจเราวุ่นไวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆจิตใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนและก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป น, นี่คือเรื่องของน้ำมันของใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิทิฏางปฏทิฏังตุมหังคิปเมวะสัมมิตาตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพีติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ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 พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทำงานอย่างอื่นต่ออยากถามถามตอนนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา571ยู u b e 412พิธีวิทญาณออนไลน์15รับฟังข้างบนนี้39คนรวมทั้งหมด 1,037 ครับ อ่าจารยถามได้พระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะในสภาวะที่ใกล้เสียชีวิตนะคะถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยหอบกระวนกระวายแล้วหมอให้มอร์ฟีนนะคะสักพักหนึ่งคนไข้ก็สงบลงไปแล้วก็หลับแล้วก็เสียชีวิตนะคะในสภาวะเช่นนี้หนูอยากทราบว่าจะมีสติรู้ตัวไหมคะก็ขึ้นอยู่กับ กำลังของสติถ้ามันน้อยมันก็อาจจะหลับไปการหลับไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็หลับไปเพราะว่าจิตนี่มันไม่ได้อยู่ที่ววลาสุดท้ายที่จะไปตัดสินว่าจะไปไหนมาไหนมันอยู่ที่บุญบาปที่ทำไว้ตั้งแต่เกิดมาที่มันจะเป็นตัวที่จะส่งจิตไปต่อ เห็นบางคนจะมาคิดว่าจะมาส่งจิตไปจากการทําจิตในวาระสุดท้ายนี้ส่วนใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เนาะมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้สะสมมาะแล้วเพียงแต่ในวาระสุดท้ายอาจจะช่วยเพิ่มตามขึ้นไปอีกหน่อยท่นั้นเองแต่มันไม่ต้องไปกังวลเรื่องจิตวาระสุดท้ายอืบางทีก็นอนหลับไป แต่เวลามันจะตายนี่มันจะรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นมามันก็เราเวลานอนหลับเนี่ยพอร่างกายเป็นอะไรหน่อยมันจะกระตุกจิตให้ตื่นขึ้นมาปวดท้องปวดศีรษะปวดอะไรเมันเวลาจะตายมันก็จะรู้สึกเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างไรมันก็จะปฏิบัติหน้าที่ของมันไปอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาคอยคัดขังเสือได้ตอนนั้นมันต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมมาล่วงหน้าก่อนถ้าไม่ฝึกซ้อมมามันก็จะเป็นไปตามที่มันเป็นมันเคยมีปฏิกิริยากับอาการอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตามอาการเพรฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลแล้วพอเวลาจิตสุดท้ายก็ขอให้มันสงบก็ถือว่าดีแล้ว อย่าให้ตัวเองหลอกล้อนตัวเองจนร้องให้โวยวายอะไรขึ้นมายันแสดงว่าจิตไม่มีสติคอยควบคุมอารมณ์ของตนคือถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีคนที่ไม่เคยฝึกสติมาเราก็ควรจะให้เขาสงบเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เคยฝึกแล้วมาเคยฝึกมาเพราะสตินีเนเน้เป็นลักษณะของธรรมชาติ ซึ่งเราไม่เราไม่รู้ว่าเขามีสติมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเราจะดูคนที่มีสติไม่มีสติไม่เป็นแต่ถ้าเราเคยฝึกสติเราจะดูออกว่าเขามีสติหรือไม่มีสติก็จะเป็นไปตามความเคยชินของจิตที่เราฝึกไว้ใช่ไหมคะใ น, านวาราสุดท้ายถ้าเกิดเราฝึกสติมาจนเป็นความเคยชินถึงแม้เราจะได้ยาที่มันกด ให้เรามันก็เพียงทำให้ร่างกายนอนหลับไปเท่านั้นเองพอร่างกายมันเริ่มตื่นขึ้นมามันเริ่มมากระทบกับจิตจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะมารับทำหน้าที่ของมันต่อไปตามที่มันได้ฝึกมาคำถามจากคุณไผ่ไผ่หลิวจะถวายผ้าบางสกุลตอนไหนได้บ้างเจ้าค้านอกจากงานศพครับ กจรยิงผ้านะมันบางสกุลนี้แปลว่าผ้าผ้าป่าช้าบางสกุลนี้เป็นผ้าชนิดที่สมัยพระพุทธกาลนี่เป็นผ้าที่พระใช้กันเนี่ยเพราะสมัยพุทธกาลยุคแรกๆไม่มีการถวายผ้าให้กับพระมีแต่ใส่บาตรให้อาหารยักเพียงอย่างเดียวส่วนที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องุ่งห่มนี่ให้ไปหาเอง เพราะว่านักบวชไม่นิยมไปขอไม่ไปนิยมไปบรบกวนชาวบ้านเขาหาเองได้ก็เลยหากันเองก็เลยไปหาผ้าผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่เอาศพไปเผาเลืออไปฝังเขาจะเอาผ้าพัานศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาให้มันเน่าเปื่อยไปพอศพเน่าเปื่อยแห้งก่อบไปแล้วผ้านี้ยังใช้ได้อยู่นักบวชก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมา เรียกว่าผ้าบางสกุลที่เราเรียกว่าผ้าป่าความจริงมันมันตัดคำว่าเช้าออกไปมันเป็นผ้าที่ได้มาจากป่าช้า mm hmm. นั้นบางสุลบางสกุลก็คือผ้าป่านี่เองก็มีการถวายผ้าป่ากันได้ทุกเวลาจะ mm hmm. ถวายเนี่ยไปซื้อผ้าเดี๋ยวนี้ผ้าป่าจริงไม่มีแล้วผ้าห่อศพไม่มีแล้ว mm hmm. ก็เลยไปซื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผ้าไตเราเรียกว่าผ้าไตแล้วก็ไปถวายพระมันก็เหมือนถวายผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลที่เขาให้พระขึ้นไปชักมันก็เป็นผ้าที่ซื้อมาจากร้านสำเร็จรูปเป็นผ้าไตเหมือนกันนั้นสรุปก็คือเป็นการถวายผ้าจะเรียกว่าผ้าป่าผ้าบางสกุลผ้าอะไรมันก็เหมือนกันถวายได้ไม่มีเวลาห้าม ยกเว้นผ้ากรถินนี้ถวายได้เพียงเดือนเดียวในในหนึ่งปีนี้จะมีช่วงถวายกรถินได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดต่อหนึ่งปีแต่ก็เป็นผ้าเหมือนกันเีงแหละมันก็เพียงแต่ชื่อแต่ตัวมันจริงๆก็ตัวเดียวกันก็ถวายผ้าจีวรผ้าไตาจีวรที่พระเอามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระเนี่ยถวายได้เวลาไหนก็ได้ เจอผ้าที่เหนออยากจะถวายผ้าก็ถวายท่านได้บิณธบาติก็ถวายได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะลําบากกับผ้า ท, ที่จะต้องรับเท่านั้นเองถ้าท่านมาคนเดียวจะถวายผ้าตายให้ท่านแบกไปด้วยท่านก็ไม่ไหวแต่เห็นว่าถ้าท่านมีรถตามมามีกรกสิทธิ์ตามมาอยากจะถวายผ้าให้ท่านก็ถวายได้ขอให้ดูการละเทศะความเหมาะสมก็แล้ว ก, กันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทําอย่างไร จึงจะออกจากภาวะตันหาได้ครับคือภวะตันหานี่มันเป็นตันหาละเอียดต้องออกจากกามก่อนตอนต้นเราติดสุกพวกเราทั้งร้อยทั้งร้อยนี่ติดกามกอนทั้งนั้นมีกามะตันหาและการที่เราจะออกจากกามะตันหาได้เราก็ต้องไปใช้ภาวะตันหาแทน คือเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกนิ้กายไปใช้สติใช้สมาธิแทนพอเราไปใช้สติสมาธิเราก็เลยไปติดสมาธิเท่าต่ อ, ตอพอเราเลิกการมาตัญหาได้เราก็ต้องมาเลิกภาวะตัญหาเรื่องวิภาวะตัญหา อ, อ, อีกทอดหนึ่งถึงจะไปนิพพานได้ภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็ ก็จากการที่เราไปพึ่งรูปประชานารูปประชาญเป็นเครื่องมือให้เราปล่อยวางปล่อยวางกามาตัาหานั่นเองเหมือนคนสมัยนี้ เ, เวลาจะเลิกบุหรี่ก็เปลี่ยนไปเคี้ยวหมากฝรั่งพอไปเคี้ยวหมากฝรั่งก็เราไปติดหมากฝรั่งอีกเลิกบุหรี่ได้แต่ไปติดหมากฝรั่งก็ต้องไปเลิกหมากฝรั่งอีกทีถึงจะ อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะเลิกการมาตัญหาได้ก็ต้องอาศัยรูปปัจจาหรูปปัจจานพอได้รูปปัจจานแลอวรูปปัจจานก็ไปติดอรูปประชานรูปปัจจานอีกก็ต้องหยุดมันอีกต้องอย่าไปเข้ารูปปัจจานอย่าเข้าไปหาอรูปประชานอยู่ข้างนอกสมาธิเราใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัญหาโมหะอวิชชาที่ยังมที่ยังจะมาคอยดึงให้เราไปหาความสุขจาก รูปปัจจานหรืออารูปปัจจาญอยู่โดยการสอนว่ารูปประชานเอารูปปัจจานก็เป็นไตรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาไม่ได้เข้าไปก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเลิกได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนเลิกบุหรี่เลิกเหล้าไงเวลาได้ดื่มเหล้าได้สูบบุหรี่ก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมด แล้วถ้าเวลาอยากดื่มอยากสูบไม่มีดื่มมีสูบที่นี้ก็จะทุกข์อีกแล้วเห็นวิธีที่ดีก็คือเลิกมันดีกว่าเลิกดื่มเลิกสูบแล้วต่อไปจะไม่มีความรู้สึกทุกข์เวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบแล้วก็วจะเลิกภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ด้วยปัญญาคือเห็นว่ามันเป็นไต่ลักรูปฌานเป็นไตลักรูปฌานเป็นไตลักภาวะตัณหาเป็นต้นเหตุ ข, ของความไม่สบายใจ เห็นแล้วต้องหยุดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลังจากที่เราหยุดการมาตัณหาได้เราก็จะมาติดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคำถามจากผู้ฝากถามครับทําสมาธิกําหนดพุดโทโธไปเรื่อยๆแล้วคําว่าพุโทโธก็ดับไปแต่เรายังคงรู้สึกตัวอยู่มันคืออะไรครับ มันคือเราขี้เกียจอะไรเราก็ต้องพุทธโทรต่อไปเลยเราอยากขี้เกียจถ้าจิตยังไม่ตกหลุมตกบอ่อตกเขานอนนิ่งสงบต้องพุทธโทรไปเรื่อยๆก่อนอย่าหยุดนยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิอยู่สักพักหนึ่งเห็นแยกออกสองทางเวทนาที่ร่างกายอีกด้านหนึ่งเห็นความสงบ พอเราไปเพ่งที่เวทนายิ่งดูเห็นความเจ็บปวดจิตเห็นว่าทุกข์มันก็สลัดออกไปเป็นความสงบแทนอันนี้ถูกทางไหมครับถ้ามันสงบก็ถูกทางปล่อยวางเวทนาได้จิตก็จะสงบถ้ายังอยากให้เวทนาหายมันก็จะทุกข์ถ้าปล่อยให้มันเจ็บมันต้องไปยุ่งกับมันเจ็บก็เจ็บไปเราไม่ได้เจ็บไปกับมันความเจ็บเป็นของร่างกาย ใจไม่ได้เจ็บใจเป็นเพลงแต่ผู้มารับรู้เท่านั้นก็รับรู้ไปเฉยๆปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วความทุกข์ก็จะหายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นมาคำถามจะคุณกัลยาธิดามีกัลยาณมิตรเอาเสียงพระอาจารย์เป็นวิหารธรรมและเขาว่าเข้าสมาธิได้เงียบสงบลึกได้เลยแต่เสียงนั้นไม่อยู่ใน กรรมฐานสี่สิบครับถ้าปฏิบัติตามเช่นนี้จะมีผลเสียหายอะไรไหมครับไม่ก็เป็นธรรมานุสติไงการฟังธรรมก็เป็นการเจริญธรรมานุสติมีอยู่ในกรรมฐานสี่สิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการฟังเทศฟังตารรมพระเจ้าว่ามีอ น, นิสงส์ต้องห้าประการหนึ่งในห้าประการนั้นคือจิตจะสบงบ อีกสี่อย่างก็มีจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับสจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาหรือมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา 4. จะทำให้ความรังเลสงสัยต่างๆหายไปหมดห้าจะทาให้จิตสงบผ่องใส น, นี่แหละคืออ น, นิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมคำถามจะคุณกิติพัฒนการฟังเพลงอยู่ที่บ้านถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งในศีลแปดหรือไม่ครับศีลแปดข้อที่ไม่ให้ฟังเพลงคือศีลเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ศีลข้อที่หนึ่งไม่ให้ดองนำทำเพลงเพราะเพลงนี้มันมีอารมณ์เพลงนี้มันถูกกิเลสเป็นผู้แต่งขึ้นมาคนแต่งนี่มีกิเลสแต่งด้วยกิเลส ด้วยความรักด้วยความเหงาด้วยความเศร้าด้วยความดีใจอะไรก็แล้วแต่พอฟังแล้วมันก็จะไปปลูกอารมณ์เหล่านี้ขึ้นในใจของผู้ฟังไม่เหมือนกับเสียงธรรมเสียงธรรมนี้ออกมาจากใจของผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัณหาฟังแล้วก็จะกล่อมใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้คำถามจะ ก, กุลิศเดี๋ยวพี่ก็จะขอถามต่อเอาไมก่อนเอาไมไ้ไ โอกาสเจ้าค่ะจากข้อที่ถามเมื่อสักครู่นี่ค่ะกรณีที่ฟังเพลงที่เป็นเพลงบทสวด่ะเจ้าค่ะอะจะจะอยู่ในข้อเมื่อสักครู่นี้ไหมคะก็เฉียดเฉียดละเพราะว่ามันมีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสผสมเสียงทํานองมันมันเสียงทํานองของกิเลสแล้วก็แต่คำพูดเป็นคําพูดของธรรมมันก็เลยเหมือนกับว่า มันมันมีสองอย่างปนกันมีก็กิเลสผสมมาด้วยกับธรรมมันก็ถ้าเราไปติดทำนองเขา้ามันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเหมือนกับร้องรำทำเพลงไปอย่าไปใช้บทสวดมนต์ที่เป็นเสียงเพลงเลยอันนี้เป็นความหวังดีที่ประสงค์ลายขอ คิดว่าคนอาจจะไม่ชอบเสียงสวดมนต์ฟังแล้วมันเบื่อก็เลยแต่งให้มันมีเสียงเพลงเข้าไปประกอบใช่เดี๋ยวมันก็ไปติดเสียงเพลงมากก็ไปติดเสียงธรรม <c oughs> แล้วจิตมันจะไม่นิ่งไม่สงบเนยคำถามจากคุณเอสสันโดษกับอุเบขาเหมือนกันไหมครับและโมหะอวิชาความหมายคืออะไรครับควาว่าสันโดษแปลว่าความยินดีตามมีตามเกิด พอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้ส่วนอุเบกขานี่ใจเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็คล้ายๆกันอุเบกขานี่ก็ทําให้เกิดเกิดสันโดษขึ้นมาได้แต่มันอุเบกขามันกว้างกว่าสันโดษรือจะว่าคล้ายกันก็ได้เพราะสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไระ แต่เป็นเป็นเป็นเป็นที่เป็นเวลาใช้มันใช้ต่างกันสันโดษนี่เรามากักจะใช้กับปัจจัยสี่หรืออะไรก็ได้ที่เรามาเกี่ยวข้องกับเราเราขอให้เรายินดีพอใจยินดีกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้รับพอใจกับสิ่งที่เรามีมันก็จะทำให้เราไม่โลไม่โกรธไม่หลงมันก็เหมือนกับอุเบกขา คำถามจากผู้ฝากถามครับถ้าพ่อของเราฆ่าตัวตายโดยที่ทะเลาะกับพี่ชายและเสียใจในตัวพี่ชายมากจิตของพ่อจะได้รับกรรมหนักไหมแต่สุดท้ายครั้งสุดท้ายที่คุณพ่อโทรมาปรับทุกข์กับหนูพ่อร้องไห้บอกความกังวลและความทุกข์ใจเดือนหนึ่งแล้วที่พ่อได้จากไปทำไมหนูนอนไม่หลับหลวงพ่อต้องตื่นมากลางดึกแล้ว ทำให้นอนไม่หลับรู้สึกร้อนรู้สึกปวดหัวอย่างบอกไม่ถูกทุกคืนเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเหตุการณ์มันมีผลกระทบต่อจิตใจเรานั่นเองซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาต่อไปมันก็จะห่างไกลออกไปเพราะมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนที่ต่อไปเหตุการณ์ที่มากระทบใจเรามันก็จะอ่อนลงอ่อนลงแล้วต่อไปใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้ นี่เป็นเหมือนมืกับเป็นแผลหัวใจแผลหัวใจก็ต้องใช้เวลารักษาเหมือนแผลของร่างกายแต่ถ้ามียามันก็จะหายเร็วถ้าเราอยากจะรักษาแผลหัวใจให้หายเร็วเราก็ต้องหมั่นพุโทโธหมั่นสวดมนต์เพื่อดึงใจให้เราออกจากเหตุการณ์ที่ทำให้มีความกระทบกระเทือนใจกับเราถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆมีสติเรื่อยๆ ความคิดถึงเรื่องอที่อดีตที่ผ่านมามันก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะจางหายไปต่อไปก็จะจิตก็จะกลับมาเป็นปกติได้เป็นโลกของหัวใจเป็นแพ้หัวใจอย่างหนึ่งคําถามจากคุณกัละยาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงสมาธิแล้วมันคือสภาวะที่ว่างและไม่คิดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ มันก็มันก็จะแตกต่างกับพอสภาวะที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มันจะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้หรือเหมือนกับเวลาที่มีเสียงดังๆแล้วอยู่ดีๆเสียงก็หายไปหมดความคิดนี้ก็เป็นเหมือนเสียงในใจกังวาลอยู่ในใจเราพอเสียงหายไปปับ๊บพอความคิดหายไปปั๊บก็เหมือนเสียงที่กังวานอยู่ในใจนี้หายไปเราก็จะเจอความเงียบสงบของใจขึ้นมา มันต้องรู้มันต้องเพราะมันเป็นของเป็นต่างกันนะเหมือนมืดกับสว่างเหมือ น, อนหน้ามือกับหลังมือคำถามจากคุณสรัญญาการเดินในชีวิตปกติแล้วกำหนดพุโทโธในขณะที่เดินแตกต่างจากการเดินจงกรมไหมเจ้าคะไม่ต่างกันหรอกเดินจงกรมก็เพื่อควบคุมเจตโดยสติอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้ หรือเฝ้าดูการก้าวเท้าของเราก็ได้คนีคำถามจากคุณรุ่งรุดีพิจารณาผู้ที่เดินผ่านเข้ามาในสายตาไม่ได้ตั้งใจให้เห็นเป็นโครงกระดูครับแต่เห็นตลอดเลยคิดว่าคงหมกมุ่นเกินไปเลยคิดใหม่พอเห็นแบบนั้นเลยนึกพุทโธแทนควรจะคิดอย่างไรถึงจะเหมาะสมครับ ก็มันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่การดูโครงกระดูกนี่มันจะเหมาะกับการห้ามการมารมมากกว่าถ้าเราเห็นใครสวยๆแล้วอยากจะได้ก็มาเป็นแฟนอย่างนี้พอคิดถึงโครงกระดูกของเขาก็บอกไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต่อหมายของเราว่าเราต้องการกาจัดอะไรถ้าต้องการกำจัดการมารมก็ต้องใช้โครงกระดูก พอพุโทโธนี้กำจัดไม่ได้พุโทโธก็อาจจะหยุดได้เป็นชั่วคราวแต่พอทุกครั้งเห็นใหม่ก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้แต่ถ้าใช้โครงกระดูกนี้พอทุกครั้งพอจะเกิดการอารมณ์กระดูกโครงกระดูกมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้ไม่มีการอารมณ์อย่างถาวร คำถามจะผู้ฝากถามเมื่อปฏิบัติไปสามารถรู้ได้โดยไม่สงสัยว่าลมหายใจตอนที่ตื่นจากความหลับตอนตื่นนอนนั้นเข้าหรือออกความรู้แบบนี้จะเรียกว่าเป็นภาวนามย์ปัญญาคือปัญญาเกิดจากการภาวนาได้หรือไม่ครับและหากความรู้แบบนี้หายไปเราควรจะดําเนินแบบใดเพื่อจะให้เกิดความรู้แบบนี้ขึ้นมาอีกครับอไม่ใช่ภาวนามย์ปัญญาหรอภาวนามย์ปัญญาคือ ความรู้ในในตายรักที่อามากำจัดความโลภความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจให้หายไปอย่างถาวรได้ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามตั้งแต่จำความได้แม่สอนให้เป็นเหมือนต้นไม้แม้ดินจะไม่สมบูรณ์เราก็เติบโตได้จึงมีแต่สุขและเฉยๆมีปัญหาใดเข้ามาก็แก้ไปและตั้งใจว่าจะไม่ทำให้พ่อแม่และคุณย่าที่เลี้ยงดูเราเป็นทุกข์เลยและไม่ไม่นำทุกข์ใดๆมาให้ท่านนำมาซึ่งรางวัลเรียนดีและนักเรียนตัวอย่างมาให้ท่านภูมิใจนอกจากนี้จิต ก็ยังมีสมาธิจำทุกเรื่องราวในแต่ละวาระได้และได้ยินคำตอบเหมือนมีเสียงบอกมาในจิตอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญใดๆสิ่งนี้คืออะไรเจ้าคะก็เรื่องจิตํำนึกของจิตเรานะที่เราอาจจะสร้างมันขึ้นมาปลุกฝังมันขึ้นมาก็เป็นจิตํำนึกที่ดีเรามีความกาตัญญูไม่ต้องการที่จะทาให ผู้มีพระคุณของเราต้องเสียออกเสียใจนุ่ทุกข์เดือดร้อนกับการกระทําของเราก็เรียกว่าเป็นการมีความกระตันอยู่แบบหนึ่งคือไม่ให้ท่านทุกข์ใจก็เป็นความกตันอยู่อย่างหนึ่งให้ท่านมีความสุขก็เป็นความกตันอยู่อีกอย่า ง, งใช้ได้เพราะเราบางทีเราก็อาจจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่ง การประพฤติของเราก็ต้องเรียบร้อยไม่นำความเสียหายมาแก่สกุลแก่ครอบครัวพ่อแม่ก็จะได้มีความสุขสบายใจแต่ถ้าเราไปทำตัวเราเหลวไหลเป็นเป็นคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็นำความเสื่อมเสียมาให้กับ พ่อแม่ทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ได้เป็นการกระทาของพ่อแม่แต่มันก็เกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นแม่เป็นลูกกันฉะ น, น, นั้นการกระทาตัวเราให้ดีนี่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งเป็นความกตัญญูกตวเวทีคำถามจากคุณปการัง ตอนนั่งสมาธิคําบริกรรมพุทโธกลายเป็นก้อนจากใหญ่มาเล็กจนเล็กที่สุดแล้วคลายออกหายไปมันคืออะไรครับมันไม่ใช่พุทโธแราวถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยพุทโธไม่เป็นก้อนอพุทโธเป็นคํามันไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กแล้วมันก็พุทโธพุทโธของมันไปนี่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาให้มันเป็นก้อนขึ้นมาเองือ อย่าไปตามให้ก้อนให้ตามพุทธโธให้ให้อยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธอย่าไปสนใจกับก้อนที่มันตามมาอันนั้นมันเป็นการปรุงแต่งของจิตที่มาหลอกเราได้คำถามจะคุณกม์วันทุกวันก่อนสวดมนต์ควรรับศีลห้าก่อนหรือไม่คะการสวดถึงจะสมบูรณ์ก็เวลาสวดมันก็มีศีลห้าอยู่แล้วนี่ เวลานั่งสวดคุณไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าคุณตบยุงหรือเปล่าเวลานั่งคาคุณโกหกหรือเปล่าคุณเอา ข, อขโมยข้าวของใครหรือเปล่าคุณไปประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าคุณดื่มสุราหรือเปล่าตอนที่คุณสวดมนต์เห็นต้องไปขอศีลจากใครมันมีศีลอยู่ในตัวแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีศีนโมนจะไปคิดว่าศีนอยู่ที่พระต้องไปขอที่พระก่อน ศีลมันอยู่ในตัวเราสังเกตดูเสร็จตอนนี้เราทําผิดศีลห้าหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเนี่ยตอนนี้นั่งฟังเทศอยู่เนี่ยไปค่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่หรือเปล่ปาะบางคนอาจจะทําได้ฟังทำไปแล้วก็ค้าเป็นค้าไก่ไปหน่อยแต่เวลาสวดมนต์มันทําไม่ได้วเวลาสวดมนต์ก็จะไปทําบาปไม่ได้อยู่แล้วเม้นจะต้องไปขอศีลจากใครมันมมีอยู่ในตัวของมันแล้ว หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้วันจันทร์วันเบาๆวันสบายคนไม่มากธรรมะก็ให้พอสมควรนะก็ขอให้นำเอาอไปปฏิบัติก็แล้วกันขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณา